ขอความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปุฏิยานได้นำเสนอพุทธาการกธรรมคือบารมีทั้งสิบประการมาค่อนข้างจะพิสดารท่นนี้เป็นเพราะว่ารายการใต้รมปปุฏิยานเนี่ยคือเจตนาตั้งเพื่อจะพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ให้รายละเอียดมาก เพราะว่าโอกาสที่จะไปพูดขยายให้เป็นรายละเอียดเนี่ยมันไม่เค่อยมีจะพูดออกวิทยุว่าวันหนึ่งคราวหนึ่งก็ประมาณยี่สิบนนาทีเป็นอย่างมากคลิปสี่ยนาทีก็ทําให้เรามองเห็นกระบวนการของเหตุผลที่หนุนเนื่องกันมาแล้วก็ทำให้เรามองเห็นธรรมะ ในรูปของกระบวนการของเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือโครงสร้างการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าของเรานั้นโดยจะตัดช่วงตรงไหนก็ได้นะมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเป็นการหมุนหนุนเนื่องกันแล้วก็สลับกันของคำสามคำคือคำว่าเป็นคำว่าทำแล้วก็คำว่ามี มาเริ่มต้นจากจุดประกายความคิดที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจา้าสมัยที่เป็นทุกขตะบุรุษพอสมควรนะนะก็เอาแม่ขึ้นบ่าเวลาเรือแตกก็นำแม่ขึ้นไปสู่ฝั่ง แต่ว่าขนาดที่ไหว้ไปนั่นเองก็ไปเจอคนกระมังไหวกระเสือกกระสนแล้วก็จมหายไปเรื่ดัๆตัวเองไม่สามารถจะช่วยได้มันเกิดความคิดที่จะช่วยแบบถอนรากถอนโคนคือให้คนหลุดพ้นจากความเกิดซะก่อนเพอถ้าหลุดพ้นจากความเกิดได้เนี่ยความทุกข์ในลักษณะต่างๆมีการต้อง ตกอยไปในกระแสน้ำเป็นร้นเนี่ยก็จะไม่เกิดขึน้นเลยปรารถนาไปสูงริบเลยปรารถนาการเป็นประพุทธจ้าเราสัสรู้แล้วจกช่วยคนอื่นให้สัตรูด้วยเราข้ามได้แล้วจะช่วยบุคคลอื่นให้ข้ามได้ด้วยเพราะว่าสองสารวัตรนี่มันทุกข์มากนักเองคือไม่ต้องการให้ประจนความทุกข์ซ้ำซาก แล้วความคิดตัวนี้ยอยู่ภายในจิตใจ น, นานผ่านพพชาติมาก็สะสมมบรมบ่มเพาะกันมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็แสดงวาจาอธิษฐานออกไปคือเปล่งวาจาออกไปถ้าเราสังเกตรประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยเรายุคแถวราชาการที่สามนะครับประเทศไทยนิยมการตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้ากันมาก แม้แต่ราชการที่สามเองเนะก็ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจนถึงก็มีคนบางคนไปเอาตัวเองเป็นเทียนจุดบูชาพระรัตนตรัยที่โบสถ์วัดอรุณราชวรารามหลงเหมือนจะชื่อในเรื่องอะไรเนี่ยเพราะในคนที่จะพูดในลักษณะนี้มันก็มีได้เยอะแต่ว่าเส้นทางมันยาวไกลามาก จะเด็ก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับการวิ่งแข่งมาราธอนนะ่ะมันร่อยรอลงไปไเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางคือชนะเลิศก็เพียงคนเดียวบ น, บนเส้นทางตรงนี้ก็มีกระบวนการต่างๆที่ประพฤติปฏิบัติในแนวเดียวกับพระองค์แล้วก็ลนหายไปบนเส้นทางตังวแยกออกไปบรรลุมัมกผล เพราะไรเพราะในช่วงที่ช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่ทรงบำเพ็ญบารมีเรียกว่าประกอบด้วยธรรมะสมุทานรรมสมถทัยแปประการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หมามันแสดงถึงว่าพัฒนาการทางจิตวิญญาณที่ทำให้บุคคลพร้อมแล้วคือถ้าจะออกบวชก็สามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระหานได้เพรา ะ, ะถ้าการุณาไม่มากจริงๆเนี่ยไม่เอาหรอก ก็เป็นพระหันมันร่นระยะเวลาหมุนบุญในสงสารวัตรตั้งอีกเยอะเลยแต่นับหนึ่งตรงนั้นนะ่ะมันเสียสงไข่กับกรหม่แสนกับนับหนึ่งที่สมัยปฏิปังกรพุทธเจ้าเนี่ยมันเสียสงไข่กับแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งยี่สิบสี่พระองค์แล้วก็ยังต้องไปอยู่็นสวรร์อะไรต่ออะไรอีกการมองระนิพานเนี่ย มันไม่ใช่เป็นที่พอใจของคนทุกคนคือคนบางคนเนี่ยเขายินดีในภกเขาก็ไม่ปรารถนานิพพานแต่พระปพธิสัต์เนี่ยท่านปรารถนาผลสูงสุดก็คือนิพพานต้องการดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงเมื่อกิเลส ด, ดับอย่างสิ้นเชิงทุกก็ต้องหมดไปอย่างสิ้นเชิงก็เรียกว่าเป็นความสาเร็จที่สมบูรณ์ แต่เมื่อตรวจสอบดูแล้วก็เห็นว่าคุณสมบัติเพื่อความเป็นนี่ไม่มีอยากเป็นยังไงมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราต้องการจะสอยมะม่วงเนี่ยมันต้องมีต้นมะม่วงแล้วก็มีลูกมะม่วงสี ก, ก่อนเราจึงจะมาจะสอยได้เพราะาเมื่อเห็นว่าคุณธรรมหรือคุณสมบัติไม่มีมันก็ต้องทำให้มีขึ้น บนการบาเพ็ญพุทธกาลกะธรรมเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีความเพียรตลอดมีความเพียร น, นําตลอดพอต้องใช้ความพยายามต่อสู้กับอิเลต่อสู้กับรมต่อสู้กับปรรัจจัอันตรายเยอะเหลือเกินความเพียรบางครั้งบางคราวก็เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตจนแทบเป็นแทบตายบนเส้นทางสายนี้ มันก็ถึงจุดหนึ่งก็ทำให้ทรงมีคุณสมบัติแล้วพร้อมที่จะเป็นซึ่งก็หมายความว่ามีจริงๆสมบูรณ์จริงๆ ม, ม, มีพร้อมจะเป็นจริงๆก็คือสมัยที่เป็นเจ้าชายิตตธแต่ก็ต้องการให้ดูว่โครงสร้างตรงนี้ที่จะเป็นโครงสร้างที่น่าศึกษาคือเราดูในบ้านในเมืองหรือแม้แต่พระเน้นของเราไม่ใช่ไม่จะเน้นไม่ใช่ใชหรอกคือว่าพระของเราลูกคนของเรา คือคนนี่จะอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นนียอเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้จักประมาณตัวเองนะฮะว่าจะเป็นได้เป็นดีเป็นเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ดูแต่อยากก็เป็นแต่ไม่ได้นึกว่าเป็นแล้วเนี่ยมันทําอะไรเรามีคุณสมบัติเรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีทักษะในเรื่องนั้นนั้นหรือไม่ไม่ได้ดุะแต่ดิ้นหนดอยากจะเป็นซึ่งมันผิดสูดอะ ของพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยท่านอยากเป็นอยากเป็นก็คือเพรอาะเพราะตัณหาเหมือนกันนั่นะะเพราะอะไรเพราะแม้แต่อยากไปนิพพานมันก็เป็นตัณหาเพราะความอยากนั้นมันเหมือนกับยานภาณนะเขาเรียกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอุปมาเหมือนกับอะไรหล่ะก็แพ่พ่วงแพ่ตะเบา พ, พ่วงแพ่ก็คือแพ่ ก็คงหาเรือยากหน่อยนะฮะแล้วก็คนต้องการจะไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอาศัยแผลอาศัยเรือข้ามฝั่งแต่พอถึงฝั่งนี่เอาเรือเอาแไปด้วยไม่ได้มันต้องทิ้งแต่ว่าจับใดที่ยังไม่ถึงฝั่งมันก็ไม่มีพวกนี้ไม่ได้เพราะงั้นแนวพวกนี้กิเลสประเภทเนี้ประเภทตัณหาเนี่ยกตัณหาโลภะอะไรนี่ ความอยากทั้งหลายเนี่ยเป็นกิเลสประเภทสร้างอหมายความว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็สร้างขึ้นซึ่งถ้าควบคุมทิศทางได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมตัณหาอยู่ด้วยเรียกตัณหาในความดีตัณหาในธรรมหรือตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยาการอยากไปนิพพานมันก็เป็นอาการของตัณหา แต่ว่าก่อนจะถึงนิพพานต้องดับนะฮะต้องดับต้นหะัตถ์ดังนั้นความอยากเป็นของพระโพธิสัตว์ก็เป็นเหตุให้ท่านตรวจสอบตัวเองแล้วก็ทําสร้างคุณสมบัติขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นท่านก็ได้เป็นพอเป็นก็ทําหน้าที่ตามที่ตนเป็นเพราะมีความรู้มีความสามารถเป็นคุณสมบัติ เหมาะสมแก่สถานะจงนั้นดังนั้นเอกมีเป็นทำทำมีเป็นเป็นมีทำเนี่ยมันจึงหนุนช่วยกันบ้านเมืองเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคนเราอยากเป็นเยอะแล้วบางครั้งบางคราวก็ทำลายโอกาสของคนอื่นคือน่าจะให้คนอื่นก็เป็นบ้างนะบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวก็เปลี่ยนกันมาดูแลรักษาบ้าง้าที่การงานพระศาสนาอะไรแต่ารก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเป็นกันจนนั่งรถเข็นก็ยังเป็นกันอยู่มันก็เกินไปแล่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออยู่ที่ความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การเป็นซึ่งเบอรเนี้เรามีปัญหาเราอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นแล้วก็ไม่ไพัฒนาคุณสมบัติให้เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็น พอเป็นเข้าถึงมันไม่เหมาะสมคือไม่คุ้มค่าสูญเสียผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างระดับบริหารบ้านเมืองหรือระดับอาธิปันดีระดับผู้มนวยการระดับอะไรเนี่ยคือบางครั้งบางคราวเราไปมองในแนวโอโุโสอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เคยได้เราเพราะสังคมมันอุปถัมภ์ มันก็ผลักดันกันมาเรื่อยๆความรู้ความสามารถมีหรือไม่มีไม่รู้โดยเฉพาะการโยกย้ายข้ามกลมข้ามกองอะไรต่าดๆเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยเหมือนก็ส่งให้ไปเรียนงานใหม่แล้วก็เรียนไม่ทันนะพอเริ่มจะทำงานเป็นก็ย้ายต่อบ้านเมืองสูญเสียผลประโยชน์จากอโครงสร้างความคิดตรงนี้มากมายใหญ่ก็แต่ว่าทำยังไงก็คงจะแก้ยาก เพียงแต่ว่าต้องการจะให้เป็นหลักสังเกตเอาไว้ว่าสูตรตรงนี้ถ้าเราต้องการเป็นอะไรเนี่ยต้องมีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ถ้ายังไม่มีคุณสมบัติพร้อมก็ต้องพัฒนาคุณสมบัติให้มีซะก่อนแล้วก็มีแล้วเนี่ยเรากับคนอื่นเนี่ยใครมีมากกว่าถ้าคนอื่นก็มีมากกว่าเขาเหมาะสมกว่าก็าปล่อยเขาไปเราก็ส่งเสริมสนับสนุนมันไม่จาเป็นจะต้องแย่งกันเป็น เพราะความสำคัญของคนไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันมันอยู่ในจุดใดก็ได้แคล้งกละงร่างกายของเราในที่จริงมันเป็นบทเรียนอย่างดีคือินรีนะฮะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมว่าแต่ละอย่างนั้นมีความสำคัญอินรีเปลว่าเป็นใหญ่เขาก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแลว้วสิ่งอื่นมาชดเชยมาทดแทนไม่ได้ตาเป็นใหญ่ในการดูรูป จะเอาสิ่งอื่นมาชดเชยไม่ได้หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงถ้าต้องการฟังเสียงก็ต้องใช้หูจะเอาสิ่งอื่นมาแทนไม่ได้แล้วถามอะไรสำคัญกว่ามันไม่มีอะสำคัญกว่านี้ไม่มีก่อนไปประชุมทางบัญชการนะฮะทางที่สภาการสาชาติ ก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งก็พูดในทํานองว่าพระปัจจุบันเนี่ยรู้ไม่ทันชาวบ้านคือชาวบ้านก็รู้เลยพระไปแล้วพระก็รู้ไม่ทันชาวบ้านมันพูดได้ฮะแต่รับผิดชอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะจริงๆความรู้เนี่ยไม่มีใครทันใครอ่ะมันเรียนใะนคนละสายเพราะในสิ่งที่พระรู้เนี่ยโยมไม่รู้เยอะ และสิ่งที่ยมรู้นี่พระไม่รู้เยอะเลยร้นคนเราต้องยอมรับยอมรับว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างมีรู้ทุกอย่างแต่พระพุทธเจ้าตนเองสูขสัพพัญยูตนเองเขรู้ทุกอย่างแล้วพวกนักวิจารณ์เนี่ยที่รู้เรื่องศาสนาเนี่ยชอบพูดในลักษณะนี้ได้ยินบ่อยแต่ก็ไม่อยากพูดวันก่อนก็ไปเจอกับคนหนึ่งพูดออกวิทยุหลายครั้ง ออกโทรทัศน์ออกจ็จผปาโทรทัศน์หลายครั้งก็ไปเจอกันก็ไม่ได้ไปทวงถามคำพูดหรอกแต่ก็อธิบายถึงกระบวนการทั้งหลายที่เขากำลังเผชิญปัญหาให้ฟังต้องการบอกว่าเรารู้แต่เราไม่พูดเพราะคนด้วยกันเนี่ยนะพระก็คนโยมก็คนน่ะมันเรียนในคนละเรื่อง พระก็รู้ในสายของพระยิ่งหย่อนแตกต่างกันในหมู่พระแล้วแน่นอนเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรื่องธรรมะนี่แหละโยมอาจจะรู้ดีกว่าพระถ้าโยมเรียนมาก่อนเพราะพระในบวชปั๊บมันเป็นพระเลยอยังไม่ทันได้เรียนเลยแต่ว่าอย่าไปคิดว่าชาวบ้านเนี่เก่งกว่าพระทุกเรื่องหรือพระเก่งกว่าชาวบ้านทุกเรื่องคิดผิดตรงนั้นไม่มีใครเก่งได้ทุกเรื่อง แต่คนก็มีความสําคัญในจุดของตัวเองแม้แต่ในบ้านเรือนของเราระแนงอันเดียวมันก็มีความสําคัญกว่าเสากว่าคือในฐานะของระแนงเห็นไหมเสาคือเนี่ยทํางานแทนระแนงไม่ได้เพราะระแนงก็คือระแนงคือถ้าเราเข้าใจในประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยมันจะ ยอมรับน้ำถือกันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่หลงไปยึดติดในอํานาจอะไรมากเกินไปจากการฟังเวลาไปอภิปรายเวลาไปประชุมอะไรเนี่ยคือมาชักเป็นห่วงจะเป็นห่วงว่าความคิดของพระที่ยิ่งท่านมีอํานาจเนี่ยท่านความคิดนั้นเป็นชาวบ้านมากยิ่งขึ้นแทนที่จะคิดเป็นพระ คืออยากใหญ่อย่างนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นไปได้เรื่อยๆเลยแ ล, แล้วก็อ้างกดมอสออ้างอะไรต่างๆยังนึกว่าเออไอกดมอสอเนี่ยชาวบ้านเขากําหนดกฎเกณฑ์ให้มีอํานาจในการยกกฎแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องไม่ขัดกับพระธรรมอินทร์ยัมายังมีความรู้สึกว่าถ้าเราคืนปล่อยไปอย่างนี้ในที่สุดพระเป็นชาบ้าน แล้วก็รับราชการแล้วกินเงินเดือนของชาวบ้านแล้วก็เป็นลูกน้องอชาวบ้านมันก็อยู่ได้ฮะแต่ความเป็นพระมันหมดไปหมดไปโดยธรรมชาติคล้ายๆกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะก่อนที่จะเกิดของมนิสเกิดทุ่งสังหารหรืออะไรเนี่ยเราศึกษาในช่วงตรงนั้นประวัติศาสตร์ตรงนั้นมันพระกลุ่มหนึ่งมันออกมาเป็นนายทหารนะมันเป็นนายพลเลยนะมีตําแหน่งใหญ่โตเลยกินเงินเดือนราชการเลย เพเมื่อคอามานิาชนะไอ้ฝ่ายนี้ก็ฝ่ายตรงกันข้ามจอมคนนี้ก็จํากําจัดเอานี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนเพราะปัญหาสําคัญในว่าเราต้องการจะเป็นอะไรก็สวดอบดูถึงความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้ความสามารถความคิดอ่านแล้วก็คุณธรรมของเรามันเหมาะสมแก่การเป็นอย่างนั้นหรือไม่หรือมีคุณธรรมมากพอหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็ต้องสร้างให้มีแล้วมีแล้วถ้าไม่ได้เป็นก็แล้วไปคืออย่าไปเดือดร้อนเพราะยังไงเราก็เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แหละเราสามารถทำงานในฐานะที่เราเป็นนี่ได้แล้วพอเป็นก็ต้องทำให้ดีใช้ความรู้ความสามารถที่ฝึกสร้างขึ้นมาเป็นคุณสมบัตินะใช้คุณสมบัติเหล่านั้น ในการบริหารงานในการบริหารคนในการบริหารองค์กรต่างๆโดยมองไปที่ผลประโยชน์ซึ่งองค์กรจะได้ซึ่งสถาบันจะได้ซึ่งชาติบ้านเมืองจะได้ผลใจมันมันต้องกว้างนะนียใจมันต้องกว้างความคิดแบบพระโพธิสัตร์มันก็ออกไปอย่างนั้นเราลองสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยพอท่านเป็นแล้วเนี่ยท่านไม่ได้คิดสามัญเลย แล้วมองโลกเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นผู้ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ด้วยกันแท่นั้นเป็นภารกิจของท่านที่จะต้องบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวโลกถึงแน่นอนถ้าจิตมันไม่ได้พัฒนาขึ้นไปน้กคิดอย่างนั้นไม่ออกหรอกพูดได้นะแต่คิดไม่ออกอาจจะคิดออกแต่ว่าทำไม่ได้ และเวล น, นี้เราก็มองกันในภาคตรงนี้ภาคพูดนี่มากภาคพูดภาคทฤษฎีนี่มากโดยไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบถึงจิตใจของเราโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยคนอื่นตรวจสอบเราไม่ได้นอกจากเราตรวจสอบกังเราเองเพราะในการตรวจสอบคุณสมบัติในแต่ละคราวของพระโพธิศัตวเราสังเกตว่าแต่ละเรื่องเนี่ยทั้งก็ทาแล้วก็นั่งตรวจสอบอครั้งทน สามารถที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้ไหมนะก็ทำก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคติการะเนี่ยก็ไม่ได้บวชนะคติการะที่จริงก็แปลว่าช่างหม้อนะคือผู้ผู้ทาหม้อหรือผู้ช่างหม้อช่างปั้นหม้อแต่โชติปาระเขา ก, กลับบวช แล้วก็ไม่ใช่บวชเฉยๆพอได้บรรพชาผสมบทบวแล้วก็ประรกความเพียรเรียนนะฮะศึกษาเึกษาคือเล่าเรียนพระสัทธรรมเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารที่เรียบเรียงในตอนหลังก็เรียกระดับอัตกถาว่าในข้อความบางคำเนี่ยมันท่านก็เรียกไป แต่ว่าศาสนายุคศาสนาประกัสสปะสมามาัมุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราคือท่านไม่ได้บัญญัติพระวินัยเอาไว้แต่ยุศาสนาจะยืดมากเพราะพอถึงปลายสมัยที่ประกัสสปะสมามาสมุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็ไม่มีกฎเกณฑ์ในการรับคนเข้าหมู่ไม่มีการเชื่อมต่อ พระในรุ่ทยุคนั้นแล้วก็ค่อยหายไปร้อยร อ, ยรอยไปเรื่อยๆจนมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดแผกไปจากธรรมอินไหนสร้างความสับสนขึ้นมาเยอะันพระดีๆก็จำเป็นจะ ต, ต้องตัดสินใจเห็นว่าแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องมันใหญ่เกินไปก็หลบขึ้นภูเขาไปตั้งเจ็ดรูปนะแต่ท่านเหล่านี้ในการต่อมาก็มาเกิดต่มาสาเร็จเป็น พระอาหารหันต์ในยุคนี้นะคหมดทั้งห้ารูป ก, ก, ก็ทำให้เราเห็นอะไรอีกเยอะเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะพื้นฐานตรงนี้เราต้องมีความเชื่อในสัพพัญยุตญาณอยู่ถ้าเราขาดความเชื่อตรงนี้พูดถึงแนวตวเนี้พูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกพูดถึงนิพพานพูดถึงกฎกังกรรมเนี่ยก็นั่งยิ้มแบบยอ่อ เกิดมาคนรุ่นใหม่นแม่พระภิกษุสามเณรเองนียพระภิกษุโดยเฉพาะพระภิกษุเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นปัญญาชนเนี่ยมักจะมีอาการยิ้มยอกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเป็นเรื่องที่น้าหวงเพราะงั้นก็มายอดกลับมาที่พระพวกที่อยู่ในแบล็คลิสอย่างที่ว่าเนี่ยม า, มาก็ไม่บางคนไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังตลอดอะนะคือพูด ง, ง่ายว่าก็เคยฟังบ้างนิดหน่อย แต่ก็ยังไงยังไงเนี่ยท่านก็ยังรักษาหลักการแต่ว่าความรู้ท่านอาจจะไม่มากแล้วก็ขาดความต่อเนื่องแต่ว่าหลักการเนี่ยท่านก็รักษาไว้นะฮะไม่ได้เพี้ยนอะไรออกไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าสรงแสดงแต่ว่าไปรับประกันทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางรูปเนีย ไ, ไม่เคยได้ยินชื่อก็ไม่เคยได้ยินนะการพูดของท่านก็ไม่เคยได้ยิน นั้นงานตรงเนี้เป็นเป็นเป็นงานหลักอย่างหนึ่งเป็นโครงสร้างแม่บทที่เรามองภาพรวมคงวิธีคิดดําเนินชีวิตแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยเราอยากเป็นแต่เราขี้เกียจทําแล้วเราก็ยังอยากเป็นอยู่พอถูกหาวิธีการต่างเพื่อจะเป็นได้พอเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะกลายเป็นพวกโกลงงอขยันซึ่งพวกเหล่านี้จะเป็นอันตรายมาก ว่าทายังไงว่าเป็นนั้นเขาเปิดโอกาสให้เป็นแต่การเป็นอะไรมันต้องพัฒนาคุณสมบัติเพื่อความเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นแล้วก็พร้อมจะให้พิสูจน์ทดสอบเขาสู่สนามแข่งขันกันเขาให้ใครเป็นก็คือคนนั้นเป็นเราก็นโมทนาสาธุการกับเข า, ขาชื่นชมยินดีกับเข า, ขาแล้วพอช่วยเหลือระด้ก็ช่วยกันไป นั่นก็คือหลักการแบบมหาบุรุษแต่ที่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเพราะว่าความอยากเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะตัณหาแต่ความเพียรเนี่ยการทําให้มีให้ให้คุณสมบัติมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมมาวิยมะคือเป็นมากมันเป็นการถวนกระแสความเกียดครานคนจึงไม่ค่อยมองไปที่ตัวการพัฒนาเหตุ แต่ว่าต้องการเก็บเกี่ยวผลโดยไม่คิดที่จะสร้างเหตุเพื่อเกิดผลในระดับที่ถาวรปัญหามันคงยังคาโลกอยู่เงี้ยต้อฟังทนายแต่รมประพติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี